โอเคเสียงน่าจะเรียบร้อยสมบูรณ์อืมก็ <_ A> ความเกี่ยวเนื่องเนาะเพราะว่าหลวงพ่อพูดมาหลายครั้งแล้ววันหนึ่งสามรอบนะวันหนึ่งสามรอบแล้วก็ทําแต่ละเรื่องที่ตั้งตั้งเชื่ออาไว้เนี่ยนะจริงๆหลวงพ่อไม่จําเป็นต้องตั้งกันได้แต่ว่าถ้าไม่ตั้งเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีแรงจูงใจที่จะให้คนเข้ามาเพราะว่าเหมือนกับไม่รู้เรื่องอะไร แต่ว่าตั้งชื่อเอาไว้เผื่ออาจจะโดนใจบางคนเนาะโดนนักปฏิบัติเพื่อสู่ความพ้นทุกข์พวกที่เขาเรียกว่าอยู่ค่อนข้างจ ะ, ะตั้งมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขอไม่เกิดอีกแล้วอพอตั้งชื่อแบบนี้สนใจเพราะว่าธรรมที่หลวงพ่อนามาเสนอนำมาแสดงเนี่ยมันเป็นธรรมที่สาหรับผู้ที่ตั้งใจจริง ไม่ใช่ว่าแบบมาอะไรนะเขาเรียกว่ามาแบบหล่อแหลมอะไรนะภาษาหลวงพ่อใช้ไม่ค่อยถูกแต่เอาเป็นว่าคือต้องเป็นผู้ตั้งใจจริงมาศึกษาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้เห็นจริงพ้นทุก์ได้จริงนะเน้นกันตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ไม่ปฏิบัติไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ผ่านสภาวะธรรมเนี่ยก็จะฟังฟังธรรมของหลวงพ่ออาจจะฟังไม่ออกฟังไม่เข้าใจ แต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติมานานมีประสบการณ์เห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเพราะว่าในเรื่องนี้เพราะว่าคนที่ปฏิบัติมานานเนี่ยอย่างน้อยทั้งภาคปริยัตทั้งภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือโชคชนมาแล้วแต่หลวงพ่อเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงในภาคปริยัตเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่แผนที่ แผนที่บอกทางว่าการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไรเนาะเช่นสติปัฏฐานเนี่ยได้พูดถึงเรื่องอการฝึกสตินะโดยเอาอะไรมาเป็นฐานที่ตั้งของสตินะหรือแม้กระทั่งบทหรือว่าพระสูตรต่างๆเนี่ยท่านก็พูดมากมายแต่ถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในกายเนี่ยในกายในใจหมดเลยนะเช่น สมมติาพูดถึงอริยมรรคก็มีองค์8เรื่องสัมมาทิฏฐิเรื่องความดํารีชอบเรื่องการเลี้ยงชีพชอบเรื่องการพูดจาชอบการงานชอบความเพียรชอบสติชอบสัมมาสมาทิทฐิชอบทุกอย่างนี่มันอยู่ในตัวเราหมดเลยปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญามันก็อยู่ในตัวเราการดํารีชอบก็อยู่ในตัวเราการพูดจาชอบก็อยู่ในตัวเราในตัวเรา การทำการงานเนี่ยทำงานเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเราการพูดการคิดแล้วก็สติมันก็อยู่ในตัวเราสมาธ mereka, steering, ททิก็อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำที่แท้จริงต้องศึกษาเรื่องตัวเราเพราะในตัวเราเนี่ยเขาแสดงความจริงนะแสดงสัจจะจะพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องการเกิดก็มีจะพูดเรื่องการตั้งอยู่ก็มีจะพูดเรื่องของความดับไปก็มีจะพูดถึงความ ไม่ใช่ตัวตนความเป็นอนัตตาก็มีนี่คือมันเป็นธรรมะต้องศึกษาที่ตัวเราแล้วก็จะทางมันเขาเรียกว่ามันเป็นทางตรงทางที่เข้าถึงนะเข้าถึงตรงตรงทีนี้การเรียนก็คือต้องอาศัยนี่แหละอาศัยผู้รู้คนที่รู้ครูบาอาจารย์หรือว่ากัลยาณมิตรที่เขามีประสบการณ์เขาผ่านมาแล้วเรื่องอารมณ์ต่างๆนะแล้วเขาก็จะเล่ามาบอกให้เราฟังเราก็ฟังตาม ถ้าอารมณ์ใดผ่านการรู้การเห็นมาแล้วก็โอเคเข้าใจได้รู้จักได้แต่บางอารมณ์ยังไม่เคยพบไม่เคยเจอก็ไม่รู้อย่างเช่นเรื่องความพลัดพรากเนา ะ, ะความพลัดพรากเนี่ยถ้าพวกเราปฏิบัติเคยรู้จักการพลัดพรากเช่นคนรักต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติต้องสูญเสียหรือว่าญาติบริวารสูญเสีย เหล่านี้ก็มักจะมีความรู้สึกเป็นทุกโศกเศร้าเสียใจร้องไห้คนพวกนี้ถ้าผ่านประสบการณ์อย่างนี้เขาจะย่อมเข้าใจดีว่าเวลาเขามีทุกข์เขาเสียใจจากการพลัดพรากนี่นะมันเป็นอย่างไรเขาก็จะเห็นอารมณ์เหล่านั้นได้ว่าอ๋อความทุกข์ที่เกิดจากประการพลัดพรากนี่คือมันเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าบางคนไม่เคยประสบเรื่องพวกนี้เลย พ่อแม่ตั้งแต่เกิดมาเนาะความรู้สึกว่าเอยพ่อแม่เราก็ยังอยู่พี่น้องเราก็ยังอยู่ปู่ย่าตายายเราก็ยังอยู่แล้วก็อะไรก็ยังอยู่ครบพวกเนี้ก็จะมองไม่ออกว่าการเป็นทุกข์การโศกเศร้าเสียใจจากที่คนรักของเราต้องจากไปเป็นยังไงพวกนี้เขาจะไม่รู้อาการไม่รู้ความทุกข์เนี่ยเพราะนั้นธรรมะนี่เนาะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์โดยตรงมันประสบการณ์โดยตรงเลยว่าเออประสบยังไงเจ็บป่วย คนที่จะป่วยเล็กน้อยก็โอเคก็มีประสบการณ์แค่เจ็บป่วยเล็กน้อยคนที่เจ็บป่วยมากๆต้องเข้าห้องไอซีหายใจไม่ออกต้องต่อท่ อ, อช่วยหายใจต้องรุน่นต้องนี้แล้วก็ขาดสติเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวถึงขั้นที่แบบเบลเมอร์รรบ้างหรือมีสติบ้างเล็กน้อยพวกนี้ก็จะมีประสบการณ์การรู้การเห็นมามากมายแต่อย่างเราเราไม่เคยอะอย่างดีเราแค่จินตนาการซึ่ง การจินตนาการกับความจริงเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อพูดคือหลวงพ่อจะพูดเฉพาะในส่วนที่ผ่านอารมณ์นั้นมาแล้วไปรู้ไปเห็นมาแล้วแล้วเข้าใจมาแล้วก็เลยมาแชร์มาบอกกันแต่เรื่องอื่นๆถ้ายังไม่ประสบเรื่องนั้นหลวงพ่อไม่พูดเพราะว่าพูดได้ยังไงเพราะมันไม่มีความรู้เรื่องนั้นเช่นสมมุติว่าหลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องออการเข้าห้อง ICU นะสมมุติว่า หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องความป่วยหนักว่าเวลาเข้าองส์เข้าห้อง i อซูมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่เคยเข้าอ่ะเพราะนั้นหลวงพ่อก็จะไม่พูดในเรื่องซึ่งสิ่งที่หลวงพ่อไม่เคยประสบมามเพราะนั้นเราก็พูดบนพื้นฐานของความเป็นจริง <c oughs> นะเนให้เข้าใจตรงกันทีนี้ <c oughs> ทีนี้ต่อนะวันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะพูดถึงเรื่องสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทําทั้งปวงเป็นอนัตตา คำว่าสังขารหลวงพ่อก็ได้พูดมาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วสําหรับคนที่ติดตามก็จะเข้าใจแล้วแหละว่าสังขารคืออะไรแต่ถ้าวันนี้ชั่วโมงนี้มีผู้ใหม่เข้ามาถ้าสมมติว่ายังไม่รู้เลยว่าสังขารคืออะไรก็ค่อยๆฟังไปเนา ะ, ะส่วนผู้ที่ได้เรียนชกโชนมาแล้วในทั้งภาคปริยัติทั้งภาคปฏิบัติก็รู้จักสังขารเป็นอย่างดีแล้วก็โอเคอย่างนี้ง่ายแล้วแล้วก็เข้าใจดีแล้วว่าอ๋อสังขารเนาะ มันมีความไม่เที่ยงคือมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปนะแล้วก็สังขารมีความเป็นทุกข์คือเป็นทุกข์ขังที่สังขารเป็นทุกข์เพราะว่ามันทนสภาพนะมันทนสภาพตัวมันเองไม่ได้มันถูกบีบคั้นจนกระทั่งว่ามันต้องแตกดับไปจึงทำให้เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าคือโยมลองนึกภาพนะเวลาพูดไปบางทีคนฟังก็ไม่เข้าใจ เราเราเอาเอาสมมุติว่าหยิกเนาะหยิกเนื้อตัวเองเนี่ยหยิกให้เจ็บก่อนแล้วพอหยิกเจ็บเนี่ยทุกคนก็รู้ได้ว่ า, าความเจ็บเกิดขึ้นแล้วนะไอ้ความเจ็บนี่แหละเขาก็เรียกว่าสังขารเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นก็เคยอธิบายมาแล้วเพราะฉะนั้นความเจ็บก็คือสังขารทีนี้โยมดูนะพอหยิกปุ๊บเจ็บแล้วก็แค่นั้นแหละโยมปล่อยมือเลยนะปล่อยมือไม่ต้องไปทําอะไรมัน เนื่องจากว่ามันทนต่อสภาพความเจ็บไม่ได้สภาพความเจ็บจึงจางคลายหายไปเห็นไหมมันทนสภาพไม่ได้เพราะมันถูกบีบมันถูกบีบด้วยด้วยกฎของของธรรมชาตินี่แหละบีบทำให้ความเจ็บเนี่ยถูกถูกจางคลายหายไปไอันนี้คือมันบีบให้หายไปเออทีนี้ไม่ทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องสังขารสมเวลาเข้าใจเรื่องความเจ็บ รู้เลยว่าอ๋อความเจ็บมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันเกิดแล้วมันจะต้องเปลี่ยนไปคือแตกสลายหายไปความเจ็บก็าหายไปทีนี้ถ้าสังขารตัวอื่นล่ะสมมุติความสุขโยมความสุขที่เราสแสวงหากันนักกันหนาเนี่ยอยากจะให้จิตใจเนาะมีความสุขมีความสุขแล้วก็พึงพอใจอิ่มเ อ, อิบเริงล่าเนาะมีความสุขมากโยมนะสมมติเราโ ย, ยมไม่เข้าใจเรื่องว่าสังขารมันเป็นทุกข์เนี่ย ยมนึกว่าความสุขที่ได้มาเนี่ยมันจะเที่ยงนึกว่ามันคงทนถาวรตลอดไปตรงเนี้ยเราไม่ต้องถามใครเราพิสูจน์ด้วยการเห็นความจริงของมันว่าเมื่อความสุขมีแล้วมันเป็นยังไงจากประสบการณ์เห็นไหมเราก็พบอยู่แล้วเนี่ยว่าเคยมีความสุขแต่แล้วความสุขนั้นมันก็จากไปอ่าอันนี้ยเห็นไหมความความสุขมันก็ทนสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องแตกสลายหายไป จนกระทั่งความสุขไม่มีอ่ะแล้วก็มาพูดถึงความทุกข์บ้างอยอมดูนะความโศกเศร้าเสียใจอะทุกคนผ่านมาหมดแล้วความโศกเศร้าเสียใจความโศกเศร้าเสียใจก็เป็นสังขารมันทนสภาพเดิมไม่ได้เคยเสียใจมากๆาเคยเสียใจมากๆแล้วเป็นไงมันค่อยๆหายลงหายไปหายไปสุดท้ายความเสียใจก็ไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นสังขารที่มันเกิดมาขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ย มันก็ถูกบีบคั้นให้หายไปดับไปอันนี้เ้าเรียกว่าสังขารเป็นทุกข์คือมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันจึงเปลี่ยนไปเห็นไหมนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะเรียกว่าเป็นสัจจะความจรงิงทีนี้ถ้าเราเรียนศึกษาธรรมะเราเข้าใจความจริงเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าตัวเราทั้งตัวที่มีรูปมีนามนะรูปนามหรือว่าร่างกายจิตใจหรือถ้าหลวงพ่อพูดก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งตัวเลย ตั้งแต่ผมขนเล็บตั้งแต่เบื้องบนสุดลงมาทั้งเท้าสุดรวมถึงภายในยทั้งตัวแล้วก็นำ ม, มาทำทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้แหละก็เป็นสังขารแล้วมันทนสภาพการอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันก็เลยเปลี่ยนสิ่งที่เห็นมันเปลี่ยนเป็นอย่างไรละ่ะสมมติอา่าเรื่องผมเนาะผมตอนแรกเกิดผมเป็นยังไงหล่มแหลมหล่มแหล ม, ลมนะแล้วอาจจะ สั้นแล้วก็ต่อมามันทนไม่เดิมมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันก็ทำให้ยืดเป็นยาวไปแล้วพอนานๆเข้ามันเป็นไงหลวงพ่อจะพูดถึงผมงอกทำไมแต่เดิมมันเป็นผมดำอันนี้ผมว่าหลวงพ่อพูดตั้งแต่มันเริ่มผมดำเนาะแต่มันทนความดำไม่ได้มันถูกบีบคั้นด้วยกฎของมันอะกฎธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนสภาพจากผมดำก็เป็นสีอาจจะก่อนจะเป็นสีขาวเนาะมันจะเป็นสีเหลืองๆก่อนสีเหลืองอ่อน แล้วก็ต่อมาสีเหลืองอ่อนมันก็ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นสีขาวเห็นไหมแล้วพอทนเป็นสีขาวเสร็จแล้วต่องามันก็ทนสภาพนี้ไม่ได้อีกเผลอๆร่วงแล้วร่วงตรงนี้แหละบ่งชี้เลยว่าสังขารเนี่ยนอกจากมันมีความไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ได้ด้วยเป็นทุกข์คือมันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละเขาเรียกว่าสังขารเป็นทุกข์แม้กระทั่งความสุขความสุขก็เป็นสังขาร เมื่อกี้หลวงพ่อพูดไปแล้วว่าความสุขมันก็มีแล้วก็หายไปความทุกข์มีแล้วก็หายไปแล้วมันก็เกิดใหม่แล้วก็หายไปแล้วก็เกิดใหม่ก็หายไปนี่คือธรรมชาติของชีวิตถ้าเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งด้วยตนเองนะไม่ไม่ได้อ่านตำราอย่างเดียวคือไม่ได้ฟังมาอย่างเดียวแต่เห็นพบเห็นด้วยตนเองหลวงพ่อใช้คำว่าต น, ตนเองนะเพราะว่าเป็นคาสมมติ พบเห็นด้วยตนเองก็จะทราบความจริงเลยว่าโห้ทุกอย่างชีวิตนี้เต็มไปด้วยสังขารเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นยอมรับเสียโยมยอมรับเสียดีๆให้ความเคารพเลยกราบไหว้กราบไหว้สังขารที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเปลี่ยนแปลงไปยกมือไหว้ท่วมหัวเลยบอกพบพระธรรมแล้วพบพระธรรมแล้วทําไมเรียกว่าพระธรรมก็เป็นธรรมชาติและธรรมชาตินี่กำลังแสดงให้เห็นสัจจะ เพราะฉะนั้นต้องนอบน้อมต้องยอมรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าสังขารจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่เวลาเราปฏิบัติธรรมด้วยความที่เรายังไม่รอบรู้เรื่องนี้อาจจะศึกษามายังไม่เพียงพอยังไม่เข้าใจก็เลยเกลียดชังสังขารบางบางสังขารสังขารที่ถูกใจก็ชอบแล้วก็ยึดครองเอาไว้แล้วก็รักษาเอาไว้ส่วนสังขารที่ไม่ชอบใจนะ พยายามผลักไสเอาไว้ผลักไสไม่เอาไม่เอ า, เ อ, าออกไปออกไปอย่างนี้มันมันไม่ถูกเพราะว่าไอ้นั้นมันเป็นกิเลสมันเป็นตัณหามันเป็ น, เ ป, นเป็นทั้งภาะวะตัณหาเป็นวิภวะตัณหาเอาละรวมความเลยสิ่งที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่สมใจอยากอ่ะอันนี้เป็นแหตุแห่งทุกข์ทางใจหมดเลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปให้ยอมรับความจริงนะ ถึงมันยังยอมรับไม่ได้แก่ก็ต้องฝึกฝึกมันอบรมมันเพื่อให้ใจเนี่ยยอมรับความจริงว่าจากนี้ไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายกับจิตใจยอมรับยอมรับหมอบราบคาบเลยว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นแล้วก็ยอมรับมันการยอมรับแบบนี้อย่างน้อยจากทุกมากก็เป็นทุกน้อยแต่ถ้ามีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้งมันก็รู้สึกก็แค่นั้นเองนะ เหมือนกับว so ่าอะไรเกิดขึ้นก็เออเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองอะไรเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นให้เดินด้วยด้วยด้วยหลักคําสอนแบบนี้คือเหมือนอย่างอริยสัจเนี่ยท่านบอกว่าทุกต้องกําหนดรู้เนี่ยสังขารเป็นทุกไงเอามีทุกเกิดแล้วก็รู้มันความสุขเกิดขึ้นก็รู้มันความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้มันความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้มันความโล่งโๆงปรงปรงๆสบายๆก็รู้มันรู้ตอนไหน ก็รู้ตอนปัจจุบันขณะรู้เดี่ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้เมื่อวานเมื่อวานมันรู้ไปแล้วมันก็จบไปแล้วอนาคตยังไม่ถึงมันรู้ล่วงหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้เดี๋ยวนี้ที่เรียกว่ารู้ปัจจุบันรู้เดี๋ยวนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ายึดอะไรอีกรวมแล้วคือพระพุทธเจ้าสอนปล่อยวางสอนไม่ให้ยึดถือสิ่งใดนะทำทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทำกุศลอกุศล หยาบละเอียดอยู่ใกล้อยู่ไกลนะทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะมันเป็นสังขารเป็นทุกหมดเลยท่านบอกว่าอย่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นหลักของมันคือเมื่อรู้แล้วก็คือแค่รู้ไม่ได้ยึดไม่ได้รู้เพื่อเอาไม่ได้ยึดไม่ได้รู้เพื่อผลักไสแค่รู้นี่คือวิธีการฝึกนะแค่รู้ยืนหยัดด้วยคือแค่รู้แต่ทีนี้ไอ้เรื่องแค่รู้เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกับพูดมันจะต้องฝึก ฝึกรู้ก่อนที่เรียกว่าสติปัฏฐานฝึกรู้ตัวเองนะรู้ตั้งแต่รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอันนี้พูดเป็นในทางเชิงวิทย์เชิงปริยัติเนาะแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช้ภาษาบัญญัติอย่างนั้นก็ได้เราก็ใช้เป็นว่าเอออะไรที่มันเกิดขึ้นในตัวเนี่ยก็ฝึกรู้ก็คือว่าเวลามันเกิดเช่นเวลาเจ็บขึ้นมาอ่ารู้แล้วอ่ารู้แล้วแล้วก็ ถ้าจะให้ให้ละเอียดหมายถึงว่าจะดูศึกษาเรื่องเรื่องเรื่องความเจ็บใช่ไหมเรื่องความปวดก็พิจารณาเห็นการมีอยู่เห็นการตั้งอยู่แล้วก็เห็นการจางคลายอันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาทําการทําความเข้าใจให้เห็นตามที่มันกําลังแสดงให้ดูแล้วก็อยจะเข้าใจเองว่าทุกสภาวะถ้ามีการปรากฏขึ้นเกิดขึ้นมันจะต้องเสื่อมไปเหมือนกันหมดเลยนะ ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าทำให้เกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาได้เร็วด้วยเหมือนกับว่ายิ่งศึกษามากเรื่องเรียนรู้มากยิ่งรู้มากก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้นกว่าคนที่ละเลยไม่ค่อยรู้ตัวลืมตัวปล่อยปะละเลยไม่สนใจพิจาณาพวกนี้ก็จะเรียนทำให้เนิ่นช้าเพราะว่าการอะไรนะเาเรียกว่าไม่มีความเพียรน่ะเออไม่มีความเพียร ภาษาไอ้พูดตรงๆก็คือขี้เกียจขี้เกียจเพราะฉะนั้นอาการขี้เกียจนะยมลองเทียบกับอายุของผู้ที่เกิดมานะเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันจะตายวันไหนถ้าเราเนิ่นช้าไปมันก็ใกล้วันตายไปเรื่อยๆใช่ไหมตายคือหมายความว่าไม่ได้เรียนรู้แล้วไม่มีไม่มีขันห้าที่จะเรียนแล้วตกลงก็เกิดมาชาตินี้ก็คือยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเท่าไหร่เลยมันตายซะก่อนอ่ามันถูกมารจัดการทําให้ตายซะก่อนแต่ทีนี้เราไม่ประมาท จะต้องทําความเข้าใจจะต้องศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องดวนโยมเป็นเรื่องดวนเรื่องอาชีพทำมาหากินนะอันนั้นทําอยู่แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจหลักเรื่องการศึกษาเรียนธรรมะเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยมันมันเรียนได้ทุกเวลานาทีเพราะว่าถึงแม้ว่าเราทํางานสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตมันก็แสดงให้เห็นอยู่เรื่อยๆเช่นระหว่างทํางานเนาะมันก็มีเจ็บมีปวดมีเมื่อยอ้าวก็รู้ไปสิ ทำงานแล้วมันมีความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็รู้ไปสิทำงานแล้วมันบ่นมากพูดมากบวยวายมากอันนี้ก็เป็นสังขารก็รู้มันสิเห็นไหมหรือทำงานแล้วเนี่ยมันอ่อนเพลียร่างกายอย่างงั้นก็รู้มันเพราะฉะนั้นมันจะศึกษาได้หมดเลยตลอดเวลาจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีแล้วไม่ใช่แล้วเพราะทุกอย่างมันอยู่ในงานนั่นแหละมันอยู่ในตัวเราเนาะเวลาทำงานก็ตัวเราไปทำแล้วก็จิตใจร่างกายมันก็มีความรู้สึกนึกค ก็สังเกตเห็นมันอะไรเกิดข yes ึああ้นก็เห็นเล่นเ่นเลนี่คือวิธีที่เขาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในชาตินี้ต้องเพียรกันขนาดนี้แต่จริงการเพียรก็ไม่ใช่ว่าเอาเป็นเอาตายนะโยมแบบเล่นเล่นอะเล่นเล่นอะไรเกิดขึ้นก็เออรู้เล่นเล่นไปอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่ได้เอาจริงนี่เนาะรู้เพื่อทิ้งรู้เพื่อปล่อยรู้เพื่อวางมันทุกข์แล้วก็รู้เล่นเไปเออมันทุกข์แล้วยิ้มยิ้มกับมันเออมันทุกข์แล้วเออมันป่วยแล้วก็ยิ้มย้มกับมันเออมันป่วยแล้วเี้ยคือไม่ใช่หน้าดํําาเงียดอะไรนะคือแบบ ปฏิบัติด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะเอะมันก็เหมือนกับว่าระหว่างปฏิบัติมันก็เออมันทุกน้อยลงน้อยลงแต่ส่วนมากอะปฏิบัติเอาจริงเอาจังหน้าดำเข้มเครียดโอ้ยดูคิ้วกะมวดไม่รู้จะเอาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ปฏิบัติด้วยแบบจริงๆริะก็คือปกติปฏิบัติด้วยใจที่ปกติแต่มีสติรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายในจิตใจก็คือเพียงแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ หลวงพ่อพูดถึงประเด็นในความที่เคือไม่รู้ไงหลวงพ่อไม่รู้ปฏิบัติ ด, ด้วยความเนิ่นช้าคล้ายๆคุณในกี้ประมาณนี้อาจจะคล้ายกันก็ได้แต่ว่าหลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังว่าหลวงพ่อเนิ่นช้ายังไงคือหลวงพ่อเนี่ยมันเริ่มต้นจากหลวงพ่อมีความทุกข์ทางใจนะคือมันเป็นคนคิดมากคือนอนไม่หลับแล้วก็สุขภาพเราเสียมันเหมือนกับว่ามันเสื่อมมันสุดอะไรเงี้ย แล้วก็มันไม่รู้ว่าจะรักษายังไงดีให้มันแบบเออมันมันพ้นไปจากอาการเหล่านี้ได้เนาะจนกระทั่งว่านี่แหละก็มาพบครูบาอาจารย์หรือว่ายักัลยาณมิตรแนะนำบอกว่าให้มาปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนมาฝึกรู้สึกตัวแล้วก็หลวงพ่อก็ลองทำนะครั้งแรกเลยที่หลวงพ่อมาลองทำตามคำแนะนำบอกว่ายกมืออย่างนี้สิหลวงพ่อแค่ยกมือแค่อึดใจเดียวประมาณไม่เกินสามสีห้านาทีมันเห็นเลยว่าโอ้โห มันไม่คิดอ่ะคือมันไม่ไม่คิดเรื่องอื่นเรื่องราวมันไม่คิดแต่มันเหมือนกับว่ามันรู้แต่เรื่องกายเคลื่อนไหวอ่ะเพราะว่ามันเป็นของใหม่ด้วยไงใช่ไหมมันอยากจะศึกษาเรียนรู้ก็เลยมันมีความค้า่ๆว่ามันตั้งใจมั่นแบบอัตโนมัติไงเพราะมันอยากรู้เหมือนกันก็เลยตั้งใจทําตามที่เขาบอกอ่าเออยกพลิกมือไปพริกมือมายกมือไปยกมือมาทําอย่างเงี้ยมันแบบโอ้โหเลยแบบโอโหเลยแบบือมันไม่คิด แล้วมันชอบโยมพอมันชอบเสร็จแล้วเนี่ยคือมันขยันไงมันชอบอะมันชอบแล้วก็เลยขยันขยันยกมือขยันปฏิบัติตามที่เขาแนะนําแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดปัญญานะมันเหมือนกับว่ามันให้ผลแค่เออเรารู้จักแล้วว่ามันให้ผลแบบนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าปัญญาเรื่องไตรักษณ์เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องศึกษาอะไรเกินจากนี้เราไม่รู้แต่พอใจอย่างเดียวว่าทําแค่นี้ยเรามีความสุขตามที่เรา ต้องการระดับหนึ่งแล้วเกือบถึงว่าอาจจะเรียกว่าพอใจแล้วล่ะมันพอใจถึงขนาดนะคือพอติดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันติดแล้วยกมืออยู่บ้านวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์มานั่งยกมือมาเดินจงกรมรอบบ้านทีนี้พอมันติดสุกเนี่ยมันไม่อยากเที่ยวแล้วโยมคือมันไม่อยากจะไปโน่นไปนี่เหมือนที่เคยไปเนาะมันความรู้สึกว่าเออมันก็แบบมันไม่ต้องเหนื่อยกับการเที่ยวแต่มันมีความสุขใจนะหลวงพ่อก็ได้แค่เนี้ยแล้วเป็นอยู่อย่างเนี้นาน เพราะว่ารู้อยู่ว่าก็มันมันสุกแล้วไงแต่เราไม่รู้เลยว่าไอ้ปัญญามันคืออะไรไอ้เรื่องปัญญาเนี่ยมันมาได้ฟังเพิ่มเติมได้ฟังอะไรในภายหลังเพราะว่าเราฟังเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนอันนี้ระดับหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าการเรียนธรรมะไม่ใช่ว่าเราฟังแค่นี้เราก็ฟังอาจารย์องค์นู้นบ้างองค์นี้บ้างเนาะแล้วเราก็ไปส่งการบ้านอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ชี้มาบางทีท่านก็บอกว่าเออเนาะตอนเนี้จิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปต้องเดินปัญญา เราก็อะไรปัญญาท่านก็ยกตัวอย่างว่าเออนะลองดูนะขณะที่จิตสงบแบบเนี้ยมันมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นในกายในใจบ้างล่ะความคือเหมือนกับว่าชี้แนะบางส่วนะนะะเช่นใจเนี่ยมันมันคงที่ไหมมันศุขมันสุขคงที่ไหมหรือว่าบางทีมันหงุดหงิดหรือบางทีมันไม่พอใจกับใครอย่างไรไหมไอ้ทีนี้เราก็เริ่มนึกไม่ออกเลยเพราะว่าอาการเนี้มันไม่ค่อยมีแล้วในช่วงหลังแต่ก็มีอยู่มาวันหนึ่งอ่ะรู้สึกมีใครพูดอะไรไมัรู้แบบ มันเครืองมากแล้วว่มันเครืองนานแล้วเนาะทีนี้ก็นึกขึ้นได้บอกเอออาจารย์ก็บอกว่าอะไรเกิดขึ้นในใจก็ก็รู้นะ <ๆ S 1> แล้วก็ให้เห็นความเกิดความดับหลวงพ่อก็เริ่มจับทางได้ว่าอ๋อมันต้องเพิ่มเติมคือให้เห็นสิ่งที่มันเกิดดับในความสงบนั่นแหละในความที่จิตตั้งมั่นนี่แหละให้รู้ให้เห็นหลวงพ่อก็เลยสังเกตว่าอ๋อจริงๆอินะเนาะในความสงบเนี่ยมันมีความคิดตงแต่งมันมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสั้นๆ น, น, นิดๆหน่อยๆก็มีเยอะแยะ อาจารย์ก็บอกว่าเออนั่นแหละดูมันดูเห็นการเกิดการดับของมันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านก็พูดถึงเรื่องใจรักษณเนาะทีนี้หลวงพ่อก็เริ่มในทีนี้ยเริ่มสังเกตเริ่มสังเกตก็เริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจเสร็จแล้วตรงเนี้ยแต่ก็มันยังอย่างว่าเนาะเราก็ยังมีความความรู้เขาเรียกว่าความรู้ยังไม่รอบยังไม่รอบรู้ในกองสังขารก็ได้แต่ว่าเออเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้เห็นความเป็นไตรักษ์แล้วแหละตัวเราอะนะ เช่นเวลาทำสมาธิหรือเดินจงกรมก็ดีเห็นไปแล้วตัวเราเนี่ยเห็นทางร่างกายเช่นความเจ็บความปวดความเมื่อยเราเห็นแล้วแหละแล้วเราก็รู้ว่าเออมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักแล้วแหละทางจิตใจก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะเออเห็นการเกิดดับแล้วแล้วก็พอเข้าใจเรื่ว่าอ๋อไอเนี้ยมันเป็นตัวเราไม่ได้นะอาการความสุขความทุกข์ก็ดีเพราะว่ามันมีแล้วหมดไปหายไปเข้าใจความไม่เป็นตัวเรานะเข้าใจเข้าใจเข้าใจไปเรื่อยแต่นานอีก ไม่รู้ไม่รู้อันไหนไม่รู้ว่ามีเราเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละเราเลยพบว่านักปฏิบัติเนี่ยไม่มากหรอกที่ว่ารู้คือไม่มากหรอกที่จะรู้จักว่ามีเราเป็นผู้รู้เพราะส่วนมากเนี่ยคือคือไม่รู้จักว่าเราเป็นผู้รู้แล้วเราเองก็ไม่เที่ยงใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้เรารู้ธรรมะเรารู้มากแต่หารู้ไหมว่าเรานี่แหละนั่นแหละคืออัตตาตัวตน แล้วก็อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงเหมือนกันจนกระทั่งได้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพบผู้รู้ต้องทําลายผู้รู้ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็คิดหาว่าเอ๊ะมันมีผู้รู้ใครอีก่ะที่เรียกว่าผู้รู้อ่ะเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักผู้รู้คือใครที่รู้จักก็คือรู้จักว่าวิญญาณ น, นั่นแหละคือวิญญาณที่รู้แจ้งอารมณ์ทางหูตาจมูกลิ้ยงกายใจเออเราก็คิดเราก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าอ๋อพบวิญญาณก็ต้องทําลายวิญญาณดิถ้ายอย่างนั้น่ะ ทีนี้เรา ว, วิญญาณทําลายได้ไงในเมื่อมันเกิดดับของมันเองอยู่แล้วอะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยก็เป็นจริงๆก็เป็นวิญญาณเหมือนกันแหละวิญญาณรู้แต่เพราะว่ารู้นั่นรู้นี่ใช่ไหมมันก็ประกอบด้วยอะไรล่ะตัวเราเนี่ยเวลามันรู้เนี่ยประกอบด้วยสัญญาประกอบด้วยความคิดปรุงแต่งประกอบด้วยเมื่อรู้อะไรแล้วน่ยมันก็มีเวทนามาผสมใช่ไหมชอบไม่ชอบเนี่ยแล้วก็ วิญญาณเนี่ยหมายความว่าวิาวญญาณเวลามันรู้อะไรแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดอะไรตามตามมาเช่นเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารแล้วรวมกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมาเป็นตัวเราอันใหม่ขึ้นมาก็คือเรารู้เรารู้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้อาจารย์ท่านท่านวิธี์สอนลูกศิษย์อะคือท่านฉลาดไงท่านถามอย่างนี้ก่อนเช่นบอกว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นในใจอ่ะเช่นเวลามีความสุขอะรู้ได้ไหมเราก็ตอบแบบซื่อๆตามที่เรารู้ไงนะบอกรู้ได้ครับ แล้วเวลามันมีความทุกข์รู้ได้ไหมครับเออรู้ได้ไหมเราก็บอกรู้ครับแล้วก็ท่านถามว่าเลือกใครรู้อ่ะก็ผมละจีครับผมเป็นคนรู้อาจารย์ก็บอกพบผู้รู้แล้วยังโอ้แค่นี้ปิ๊งเลยผู้รู้ก็คือผมนั่นเองคือตัวเราแล้วก็พอมองอีกทีหนึ่งมันก็จะเกิดเห็นตัวเราขึ้นมาว่าอ๋อไอตัวเราที่เป็นผู้รู้นี่เหมือนกับว่าหลวงพ่อมองในภาพกว้างเนาะเออไอตัวเราผู้รู้นี่เนาะ สุดท้ายไอ้ตัวเราผู้รู้มันก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเอา้าตัวเรามันก็ไม่เที่ยงนี่ไอ้นี่เขาเรียกว่าเห็นเห็นในภาพรวมแล้วว่าไอ้ผู้รู้ที่เป็นเรานี่มันไม่เที่ยงพอเป็นไม่เที่ยงเสร็จแล้วมันก็เข้าใจเลยว่าอ๋อนี่พบผู้รู้ทําลายผู้รู้ทําลายคือทําลายความเข้าใจผิดน่ะที่ว่ามันเข้าใจผิดยังไงคือเมื่อก่อนเข้าใจผิดนึกว่าเดี๋ยวมันมันมีสองขั้นตอนคือคือไม่เห็นว่าเราเป็นผู้รู้ สองเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเข้าใจผิดว่าตัวเราเนี่ยคือคือนึกว่าไม่ตายคือมันยั่งยืนอะ่ะเพราะว่ามันยังอยู่ไงตอนนี้ยังอยู่เลยเนี่ยยังไม่ตายแต่จริงๆอ่ะผู้รู้อย่างเนี้ยมันก็ตายอยู่แล้วเพราะจริงๆมันก็คือเป็นแค่วิญญาณขันเวทนาสัญญาสังขารคือสามตัวแต่เราไปหมายคือไปยึดไอ้สามตัวเนี้ยมาเป็นตัวเราแต่พอเข้าใจคือมันเข้าใจความหมายได้ไงถ้าพูดถึงคําว่าตัวเราเนาะ ก็หมายถึงว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แหละคือทั้งตัวเลยทั้งรูปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพบผู้รู้ผู้รู้เป็นเราก็หมายความว่ามันสามารถเข้าใจได้เลยว่าตัวเราคือขันทั้งห้าเพราะฉะนั้นเมื่อพบผู้รู้ก็คือพบเราเห็นเราแล้วก็มันจะเข้าใจอีกสิ่งหนึ่งว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้เรามาเห็นเราสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะเรียกว่ามันพ้นไปจากตัวเราเนาะที่เราเรียกชื่อกันว่าธาตุรู้บ้างผู้รู้เออธาตุรู้บ้าง พุทธะบ้างอะไรเนี่ยคือไปรู้จักไอตัวนั้นอีกตัวหนึ่งว่าอ๋อไอสิ่งนั้นมันมารู้เราแต่สิ่งนั้นมันไม่เป็นเรามันพ้นไปจากเราตรงเนี้ยมันจะเกิดทําให้เกิดการเข้าใจเรื่องความหลุดพ้นขึ้นมาว่าอ๋อไอหลุดพ้นนี่คือมันหลุดจากขันห้ามันหลุดพ้นจากตัวเราแล้วก็ไอที่หลุดพ้นนั้นอ่ะมันเป็นความรู้ใหม่ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เมื่อรู้จักแล้วก็จะรู้เลยว่าไอตัวหลุดพ้นอ่ะ มันไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่มีตัวพอไม่มีตัวเนี่ยมันก็พิจารณเนาะว่าไอ้ตัวเราเป็นขันห้ามันเป็นตัวทุกข์นี่เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ไอ้ตัวที่มารู้ตัวเรามันไม่เป็นมันไม่เป็นขันห้ามันไม่เป็นขันมันเป็นความอะไรก็ไม่รู้แต่มันรู้เราก็เลยเข้าใจว่าไอ้สิ่งนั้นแหละคือความพ้นทุกข์คือความไม่มีทุกข์พอเป็นอย่างนี้เหมือนกับมันเห็นเป็นสองสองส่วนนะเห็นเป็นสองส่วนคือ เห็นเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งมันเป็นฝ่ายทุกข์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพ้นทุกข์เป็นฝ่ายไม่ทุกข์ก็เลยมานึกถึงอ๋อที่เขาว่าโลกียะกับโลกุตตะละมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเข้าใจเข้าใจง่ายแล้วก็ทุกวันนี้มันก็ไม่ลืมแล้วเพราะว่ามันรู้จักแล้วก็คืออ๋อไอ้ฝั่งทุกข์ก็คืออฝ่ายขวัญท่าคือฝ่ายที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละนี่คือฝั่งทุกข์แต่ฝั่งไม่ทุกข์คือฝั่งที่เห็นตัวเราที่รู้ตัวเราอันนี้คือฝั่งไม่ทุกข์ฝั่งพ้นทุก เหตุนี้เองหลวงพ่อจึงมาคุยกับพวกเราบอกว่าให้รู้ตัวนะให้รู้ให้รู้ตัวให้รู้ตัวให้รู้ตัวเข้าไว้รู้ตัวก็ความหมายก็คือว่าไอตัวเราคําว่าตัวก็คือขันห้ารู้คือธรรมชาติที่พ้นไปจากขันห้าเพราะฉะนั้นคําว่ารู้ตัวเนี่ยที่พูดสองสองพยางนะรู้ตัวนี่คือหลุดพ้นพ้นทุกขหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าจากนี้เนี่ยก็คงจะคุยแต่เรื่องรู้ตัวนี่แหละเพราะว่าเมื่อถ้ารู้ตัวเป็นเข้าใจเป็นมันคือพ้นทุกข์ในขณะที่รู้ตัว แล้วมันก็เราก็มาพิจารณาถึงว่าทำไมครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าท่านก็บอกให้รู้ตัวให้รู้สึกตัวให้รู้ตัวแล้วเนี่ยคือเป็นทางที่ทำให้สัตว์เนี่ยพ้นไปจากความยึดมั่นหรือมั่นคือไม่ติดอะไรคือเขาเรียกว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็เลยอ๋อนี่แหละคือทางมันคือมันเหมือนกับว่ามันชัดเจนแล้วว่าเนี่ยคือทางพ้นทุกข์คือต้องรู้ตัวหรือว่าใช้คำว่ารู้สึกตัวก็ได้นี่คือเป็นทางของมัน แล้วก็เมื่อรู้สึกตัวอย่างนี้มันจะรู้หมดเลยว่าตัวเราพูดอะไรทําอะไรคิดอะไรพูดชั่วทําชั่วคิดชั่วมันจะถูกรู้ไปหมดเลยแล้วก็ไอสติที่มันนั่นอ่ะมันก็คอยเมฆคอยห้ามเนาะว่าอันไหนชั่วก็อย่าทําอันไหนดีก็ให้ทําอันไหนไม่ควรพูดพูดแล้วเดือดร้อนคนอื่นคนนั้นคนนี้มันมีตัวสติกํากับก็คือเมฆยับยัง้งไม่ให้ทําแต่ถ้าถิ่งดีๆมันก็ส่งเสริมให้ทําประมาณอย่างเนี้มันก็เลยชัดเจนตรงนี้ก็เลย เกิดความเข้าใจว่านี่แหละคือมรรคของมันเพราะรู้ทางเขาเรียกว่ารู้ทุกข์กับรู้ที่มันไม่มีทุกข์แล้วก็เป็นทางก็กจะเลิญมากๆอย่างเนี้ยวันๆก็จะเดินจะนั่งตัวเราก็ทั้งตัวนี่นะหมายถึงว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จอายรูปธรรมนามธรรมมันจะมีทุกข์มีสุขก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นสภาวะของมันเช่นนั้นส่วนไอ้ที่รู้มันไม่มีอาการนะ มันไม่มีอาการมันไม่มีปฏิกิริยาใดๆมันทั้งไม่พูดไม่คิดคือมันได้แต่รู้อย่างเดียวความหมายของมันก็คือรู้อย่างเดียวเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วชัดเจนนี่คือมรคือทางของมันส่วนผลอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันเอาเป็นว่าถ้ารู้อย่างเนี้ยแล้วมันไม่ทุกข์แล้วคือไม่ทุกข์หมายความว่าขณะที่รู้เนี่ยรู้มันไม่ทุกข์หมายถึงขณะที่รู้เนี่ยมันไม่ทุกข์แต่ที่ทุกข์ก็คือยังเจ็บยังปวดยังเมื่อยยังร้อนยังหิวเหมือนเดิมแต่มันแยก มันแยกได้แล้วไงว่าไอเ น, นี้ยคือความทุกข์ก็เป็นธรรมดาเป็นปกติของขันห้าเนาะก็ยังมีอะไรมากระทบกายมันก็ต้องรู้สึกอะไรที่ความรู้สึกคิดนึกมีอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นในจิตมันก็รับรู้ได้แต่เราเข้าใจแล้วว่าเนี่ยมันก็คือสังขารนั่นเองสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทั้งดวงก็เป็นอนัตตาเข้าใจได้ไม่ยากอนัตตาหมดก็หมายถึงว่าสังขารนี่ก็เป็นอนัตตาแล้วก็ไอ้นู่นก็เป็นอนัตตาไอตัวที่ที่รู้อนะ ที่รู้สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอันนี้ก็อนัตตาก็คือทุกอย่างอนัตตาหมดแหละถ้าโดยภาษาสมมติอนะก็คือไม่ใช่ตัวตนพอเป็นอย่างนี้เสร็จไหนอะตัวเราอยู่ไหนอะมันก็มีแต่สังขารกับวิสังขารคือไอ้รู้ที่มันไม่ปรุงแต่งก็มีเท่านี้เองถ้าโยมฟังเข้าใจนะมันมันไม่ยากแล้วไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าได้มรรคแล้วได้ทางแล้วไม่เป็นอื่นแล้วก็จะเดินให้มากแบบเนี้ยก็เดินให้มากก็คือเนี้ยแต่ละวันดํารงชีวิตประจําวันก็ ศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือไม่หมกมุ่นเรื่องอื่นแล้วไม่เอาละเพราะว่าเนี่ยพบทางแล้วว่าทางมันก็คือต้องเดินทางนี้ต้องไปทางนี้เมื่อกี้ถึงตอนต้นรายการทําไมหลวงพ่อจึงเน้นหนักว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยในเฉพาะห้องหลวงพ่อเนี่ยมันต้องมุ่งสู่ความพ้นทุกข์อย่างเดียวถ้าไม่มุ่งจริงนะมันก็ได้แค่ฟังฟังก็ได้เป็นความรู้จากการได้ยินได้ฟังแต่ถ้ามุ่งจริงๆเนี่ยมีความเพียร น, นะเพียรก็คือเนี่ยเพียรรู้เพียรเห็นเพียร สังเกตเพียนอะไรต่างๆเนี่ยความเพียนชอบออแล้วก็อาศัยสติความระลึกได้แล้วก็สมาธิคือความตั้งมั่นเพราะว่าฝึกมากๆเนี่ยตัวสติสมาธิเนี่ยไอยตัวสติเนี่ยมันจะทําให้เกิดศีลเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเพราะฉนั้นฝึกสติตัวเดียวก็วก็จะอย่างอื่นได้ครบหมดเลยไม่ต้อ ง, อง่วงและโดยเฉพาะไอสมาธิทีนี่คือปัญญาเนี่ยหัวใจของมันเลยสมาธิทิเนี่ยเพราะว่าปัญญา เพราะว่าพ้ทุกข์ได้เพราะปัญญาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องเช่นอย่างน้อยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนความเห็นที่ถูกต้องคือท่านสอนเรื่องอสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานเนี่ยคือตรงนี้สําคัญมากเลยเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าใจไม่แจ่มแจ้งแต่อย่างน้อยก็ต้องเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่ปฏิเสธเรื่องนี้เลยฟังไว้ก่อนส่วนจะเห็นไม่เห็นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ฟังไว้ก่อนว่าเออ ทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนต้องเอาตรงนี้ให้มันเป็นจะเรียกว่าจำจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ให้ยืนหยัดด้วยตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็เมื่อปฏิบัติด้วยการพิสูจน์เนาะก็จะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองว่าธรรมะของระพุทธ เ, เจ้าจริงแท้แน่นอนว่าต้องเป็นไตรลักษณ์แบบนี้ส่วนธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งก็มีอยู่แต่ไม่ปรากฏตัวมีแต่ภาษาสมมติเรียกว่ า, วาเป็นรู้ จะเรียกว่ายานก็ได้จะมันแล้วแต่ภาษาบัญญัติจะเรียกเนาะวิมุตติยานปัญญายาณที่มันเกี่ยวกับยานทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยรู้นี่แหละนั่นแหละมันพอรู้มันก็แปลว่ายานอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยานก็คือคือมันพ้นโลกคือมันเห็นโลกเห็นโลกเห็นสังขารเห็นความปรุงแต่งแต่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นโลกไงมันพ้นพ้นเพราะเพราะมันเป็นยานทีนี้เมื่อก่อนเราก็ฟังไม่ออกพ้นมันยานมันคืออะไร แต่พอมาเป็นอย่างนี้ยพอมันรู้ตัวเราปับ๊บมันเข้าใจเลยว่าอ๋อไอสิ่งที่มารู้ตัวเรานั่นแหละคือยานยานมันบางคนบอกมียานเล็กยานใหญ่โอเคก็ว่ากันไปคือตามระดับของการรู้แจ้งเนาะถ้ารู้นิดๆหน่อยๆอาจจะเรียกว่ายานน้อยแต่ถ้ารู้แจ้งแจ้งแจ้งแจ้งจนกระทั่งแบบแจ้งเหมือนดวงอาทิตย์นะมาส่องเห็นทุกอย่างเขาเรียกว่ายานใหญ่ก็ได้ไอันนั้นก็เป็นคําสมมติ แต่ก็เห็นแล้วว่าเออแรกแรกมันก็เห็นลิบๆรีๆเห็นนิดหน่อยนิดเล็กน้อยเนาะแต่เมื่อฝึกรู้ตัวเองบ่อยๆมากเข้ามันรู้สึกว่าการรู้เนี่ยมันแจ้งมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันเข้าใจเรื่องสังขารมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าทำนิพพานให้แจ้งก็ได้ตามภาษาสมมตินะก็คือให้รู้แจ้งต่อสังขารแล้วก็ไม่เข้าไม่เป็นไม่เข้าไปยึดถืออันนี้หลวงพ่อพูดทั้งหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนรวมถึงประสบการณ์ที่ได้รู้ได้เห็นแล้วก็มาเล่า ให้พวกเราได้ฟังเป็นแนวทางเอาไว้บางคนอาจจะเออรู้อย่างนี้แล้วสามารถที่จะต่อยอดได้อีกต่อยอดต่อยอดไป